เเวลุทวารยสูตรว่าด้วยพรามและขห บ, บดีชาวเวลุทวารคามหนึ่งันสามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกสลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพรามของชาวโกสลชื่อเวลุทวาระ พวกพราหมณ์ขหบดีชาวเวลุทวารคามได้ฟังข่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกพนวดจากสักยะตะกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกสนพร้อมด้วยภิกษุสง์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเวลุทวารคามโดยลำดับท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้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 บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และขหบดีชาวเวลุทวารคามเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาตแล้วนั่งณนาะที่สมควรบางพวกก็สนทนาปลาัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรแต่พวกที่ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรบางพวกก็ประกาศชื่อและโคดในสานักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรบางพวกนิ่งเฉยแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรพากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้อย่างนี้ว่าขอเราทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรพึงใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแหวนกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้พึงยินดีทองและเงินหลังจากตายแล้ว พึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรพึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ด้วยวิธีใดขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมด้วยวิธีนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนั้นนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พรามและข้าหบดีทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบัรยายที่ควร น, น้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพรามและข้าหบดีชาวเวลุทวารคามเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพรามและข้าหบดีทั้งหลาย ธรรมบัญญายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุเกลียดทุกข์ข้อที่บุคคลพึงปรงชีวิตเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุ่เกลียดทุกข์นั้นไม่เป็นที่รัก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 กายสมาจานี้ของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้สองพิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงถือเอาสิ่งของของเราที่เราไม่ให้ด้วยอาการขโมยนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ให้ด้วยอาการขโมยนั้น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 พิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เองด้วยชักชวนให้ผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยกายสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสมส่วนดังที่กล่าวมานี้ 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ข้อ thigh, ที่บุคคลพึงประพฤติล่วงภรรยาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอนหนึ่งข้อที่เราพึงประพฤติล่วงภรรยาของผู้อื่นนั้นก็ไม่เป็นที่รั ก, ไ ม, ร ไ, มรกไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่น สิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยาสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในมด้วยกล่าวสระเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามด้วย กายสมาจานนี้ของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงทำลายประโยชน์ของเราด้วยการพูดเท็จนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการพูดเท็จข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่น ส, สิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รัก <t> ไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริย <t> สาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ ด, ด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จ ด, ด้วยวจีสมาจารนี้ของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสมส่วนดังที่กล่าวมานี้ 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงยุโยงเราให้แตกจากมิตรด้วย การพูดส่อเสียดนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงยุยงให้ผู้อื่นให้แตกจากมิตรด้วยการพูดส่อเสียดข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสส่วนดังที่กล่าวมานี้หก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 เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสมส่วนดังที่กล่าวมานี้อริยสาวกนั้นหนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมสมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสง์ว่า พระสงฆ์สาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสิญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิพราหม และขหาบดีทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกประกอบได้สัตธรรมเจ็ดประการนี้ด้วยฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความหวังสี่ประการนี้เมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นเมื่อหวังพึงพยากรตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตดิรชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุกติ และวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และขห บ, บดีชาวเวลุทวารคามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดม พระภาสิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าพระองค์ทั้งหลายขอถึงท่านพระโคโดมพระธรรมของพระสงค์เป็นสรณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเวลุทวารยาสูตรที่เจ็ดจบ